คงจะไปกันที่สายของคุณคิงฮะที่บักครับเรื่องที่ใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านหลอนข้างรางครับข้างรางที่ว่านี้นั่นก็คือรางรถไฟนั่นเองฮะไม่แน่ใจว่าเรื่องที่คุณคิงจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเป็นเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมา หรือว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นถ่ายทอดมาให้ฟังอีกทอดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งใช่ฮะคุณหมีเคยเล่าเรื่องกับผมไว้นานแล้วที่บ้านหลังเก่าด้วยนะครับไม่น่าหยิบมาเลยแล้วก็มาเล่ากับผมที่บ้านที่นี่นะครับเรื่องพ่อเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เล่ากับผมช่วงแรกๆเลยนะครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมีบุญให้ชั้นไหมโอ้เรื่องนี้แบบโอ้ เดี๋ยวคงจะได้ติดตามฟังกันนะฮะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคงให้พี่บักติดต่อไปที่สายของคุณหมีในวันพรุ่งนี้หรือถ้าวันนี้เวลามีคงจะได้ว่ากันแบบสดๆเลยก็แล้วกันง่ายดีฮะอ่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องของคุณคิงกันใครที่เป็นแฟนคลับคุณคิงมาแล้วฮะสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แจ็คโอก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าคุณคิงนี่ถือศีล ถือศีลในที่นี้คือคถือศีลอะไรอ่ะศีลแปดที่ทําทุวันอาทิตย์ครับอ๋อถือศีลแปดทุวันอาทิตย์เลยครับในช่วงเข้าพรรษาอย่างนั้นเหรอไม่คือก่อนหน้านี้นผมเคยทํามาแล้วแล้วผมหยุดไปทีหนึ่งเพราะว่าผมมีความจำเป็นเรื่องงานปั้นเงี้ยอะไรข่ะเงี้ยแล้วทีนนี้พองานปั้นเบาลงก็เลยกลับมาถือต่อเพราะที่จะถือทุวันอาทิตย์อยู่แล้วครับอ๋อโอ้ยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคุณคิงนะ นะี่ะครับโ อ, อ้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับบ้านร้อนอ่าบ้านหล อ, อ, อนข้างรางังนะครับเรื่องนี้ต้องถามคุณคิงก่อนว่าเป็นประสบการณ์ของใครอะไรยังไงฮะของล่องขวัญ น, นะครับเจ้าเดิมที่ว่าน่ากลัแล้วกลัวเขาอีกแล้วแล้เวเหรอมันจะมีอะไรตามมาอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วใช่ไหมอ่ามันอันนี้เราคนครับอันนั้นคือเขาเป็นเรื่องต้องนระ่างอ่าเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่ของล่องขวนันแต่ว่าของล่องขวัญ น, นี่คืออ่ารู้สึกจะเป็น เรื่องเล่าจาน้องขวัญเมื่อสักครู่ตั้งชื่ว่าอย่างเนี้ครับอืมอืมอืมอืมนะฮะแต่นี้คือเป็นเรื่องที่เป็นของน้องขวัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับทางรถไฟถูกไหมฮะใช่ครับอ่ามาว่าถึงเรื่องนี้ครับคุณคิงเชิญเลยอเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับน้องขวัญเขาเนี่ยสมัยที่ว่าเขาเรียนอยู่ที่หนึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศิลปล้วนเอางี้แค่นี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนนี้ครับ ทันงนี้ว่าน้องขวัญเขาเป็นคนที่เรียนแล้วบางทีเขาจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะมีกลุ่มของเขาอยู่กลุ่มหนึ่งคือว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยครับก็จะหาเรื่องที่เป็นที่พึ่งแล้วในโรงเรียนเนี่ยคือจะเอาแค่ปีหนึ่งกับปีสองที่น้องขวัญเขาเรียนที่เอาที่เขาสนิทก็จะมีลรื่อที่อยู่คนหนึ่งที่เขายกนิ้วให้เลยว่าเป็นเทพเลยครับแต่ว่าพื้นที่คนเนี้ยเขาติดอยู่อย่างตัวนี้ว่าเขาขี้เมาไป่อยอืม เขาจะทำอะไรก็ข่างไหนจะเป็นตอนไหนจะมาโรงเรียนหรืออะไรจะจะได้ดื่มเหล้าในตัวมันตลอดครับตอนนี้ว่าเวลาที่เขาจะเข้าไปครืึ้งพื้นที่คนเนี้ยเขาก็ต้องเอาเหล้าเนี่ยไปเส้นอืมแล้ววันนั้นอ่ะเขาเขาเขาเคยเข้าไปห่ายครั้งนะแต่วันที่เกิดเรื่องเนี้ยเขาโทรเข้าไปตอนกลางวันอือเพราะว่ามันมีโครงรายบางอย่างที่จะต้องถามกับเขาอะแล้ว กลุ่มเขาว่าจับกลุ่มได้สามคนที่คนนี้ชื่อพี่เล็กนะ้วเขาบอกว่าบอกพี่ได้เลยเพรามีหลายคนไม่เป็นไรตอนนี้คนชื่อเล็กเนี่ยพี่เล็กเนี่ยเขาก็นอนอยู่บ้านตอนนั้นเหมือนจะไม่มีเรียนมาครั้งก็โทรไปถึงทุเสียงนี่คือน้ำเสียงเมามากเลยนะเหมือนคนแบบว่าต้องกินมาแล้วยังหนักอ่ะเออว่างไวางวะโทรมาไงวะแล้วฝันก็ถามว่าโหพี่จังหวัดแตกเลยอะออืมกินได้เช้าแล้วถ้าไม่มีอะไรแค่นี้นะไม่ต้องกวน อันนี้ขวัญก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่จดี๋ยก่อนดิคือเนี้จะเข้าไปถางานได้ไหม hmm. เขาก็คิดอยู่นิดนึงเพราะว่าเขาเมาหลักเลยนะถ้าเกิดมึงจะเข้ามาก็ได้แต่มึงถือไว้กูด้วยกันแล้วกันก็ hmm. หมายถึงเรา hmm. ข ว, าขาวาเอญก็บอก เ, เออรู้รู้อยู่หรอกว่าถ้าจะไปทำงาน hmm. ต้องมีของไปเต้นแหละรู้รู้เดี๋ยวพึ้งไป hmm. ก็เขาก็เลิกเรียนกังเขาไปทำอย่างอื่นทําอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงที่บ้านพี่เอ็กซ์ที่ว่าเนี่ย ก็ประมาณสองสามุ่มแล้วนะพี่สองสามุมแล้วครับทีนี้ว่าลักษณะบ้านเนี่ยแน่เลยอยู่ข้างรางรถไฟแล้วการอยู่ข้างรางรถไฟถ้าเราสังเกตมันจะเป็นการอยู่ต่ำตํำต่ากว่ารางรถไฟนะครับถูกต้องถูกต้องม อ, อ่าจะต้องบอกลักษณะบ้านให้ฟังหน่อยว่าคือต่ากว่ารางรถไฟและบ้านเนี่ยจะเป็นไม้เก่าๆซึ่งที่ที่เขาพยายามจะทาสีขาวเพื่อกเกลื่นความเก่าอออ่ะืแต่มันก็ยังดูอยู่ว่ามันยังเก่าอยู่ดีนะครับ แล้วบ้านเนี้ยเวลาที่เดินเข้าไปเนี้ยไม่ว่าจะขยับทําตัวอะไรแล้วแต่เนี้ยมันจะดังตลอดไม้มันล่า ง, งที่มันเป็นไม้ใช่ครับทั้งพื้นทั้งอะไรก็เป็นไม้ล่างบนเนี้ยแล้วใต้บ้านก็จะเป็นน้ําคำมันมีทั้งยุงมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยปัดนอกเป็นสถานที่ที่ว่าถ้าไม่จําเป็นจริงจหรือคนไม่เมาหลับจริงก็อยู่ไม่ได้แต่ที่พี่เล็กอยู่ได้เนี้ยเมื่อแตกใจเพราะว่าแกเล่นเอาตลอดยี่สี่ชั่วโมงออื เขาก็เลยว่าเออไม่เป็นไรจะเราเข้าไปคุยงานเสร็จถ้าเป็นไม่ได้ก็กลับคุยกับเพื่อนไปกับเพื่อนอีกสองคนรวมขวัญด้วยเนะี่ยเป็นสามว่าเออเดี๋ยวถ้เกิดว่าเสร็จ ง, งานแล้วก็กลับเพื่อนเขาบอกว่าทำไมไม่ค้างโอ้โห อ, อยู่ไม่ได้หรอดูสภาพบ้านเลยแล้วก็เข้าไปสิงคุ๊กเนี่ยบันไดนะที่มันเป็นบ้านสองชั้นนะพี่แจ๊บ <c oughs> บันไดที่ขึ้นไปข้างบนเนะี่ยก็เป็นบันไดแบบที่ว่าคนเมาไม่น่าจะเดินขึ้นได้เพราะมันผีแล้วมันตั้งมากเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็เดินของสิงค์ก็คือหลายครั้งแล้วที่คนชื่อเล็กเนี่ ทำท่าจะตกก็เลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นทำท่าเหมือนจะขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นนาทีหนึ่งทุกคนก็มีความคิดแอบมาคเรียนที่โรงเรียนว่าสงสแกซ่อนเมียไว้ข้างบนบ้านเพราะคนเรียนในบางนี้มีแฟนนี่เนี่ยเขาก็ไม่กลากนไม่อยากที่จะเปิดเผยเพราะทุกค น, นจะได้ยินเสียงคนเดินตลอข้างบนบ้านเวลาที่คนชิเล็กชิเล็กเนี่ยทําอะไรสอนงานอะไรไทยอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีทุกทีว่าสงสมันซ่อนเด็กไว้บนบ้านเลยทุกคนก็คิดอย่างเงี้ยตลอดพอวันนั้นขวัญเข้าไป พอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยข้างหน้าจะปลูกต้นไม้แบบแบบอึมคึมไม่หน่อยนะและ้วข้างในจะมีโซฟาแบบที่ว่ามันขาดแล้วพี่หเห็นไหมฟังข้างในยืดออกมาเลยคนที่เล็กเนี่ยจะนอนตรงนั้นประจาเวลาไปอีกครั้งก็เห็นนอนตรงนั้ น, นพอทุกคนแบบอยู่จนดึกปุ๊บแกก็ใใจะเมาหลับอยู่ตรง น, นั้นแหละหทุกคนก็หนีกลับแล้วก็ปล่อยแกอยู่นั้นเพราะในบ้านนี่มีอะไรเลยแล้วก็มีแค่โต้ญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ท, ที่เอาไว้สาหรับนั่งกินเหล้าหรือว่านั่งกินข้าวของแกแล้วก็ พอีรุ่นน้องมาอย่างขวั น, น่ก็มาเรียนกับโตเนี่ยมพราะวันเกิดเหตุประมาณสองสามุ่เนี่ยันไปถึง hmm. ี่คนที่เล็กก็มาเปิดประตูด้วยอาการที่ตะมอตะแงเลยนะคือ hmm. แต่ว่าโอนะเองเต็มที่อ่ะัก็เลยเอาเล่าถงให้ออันนี้อ่ะเอาไปก่อนเลยค hmm. ่าสอนพ hmm. ี่คนที่ชื่อเล็กก็ตั้งเล่าได้แล้วก็ลงนังที่โตฟ้าเหมือนเดิม hmm. แลว้วก็ขวัญก็ดึงโตญี่ปุ่นเอาออกมาถึงแล้วก็นั่ง โดยที่ที่ฟังวัฒนารรดีๆนะพี่แจ๊ค uh huh. คนชื่อเล็กนั่งบนโซฟาจะถ uh ูก huh. กว่าพวกนี้แน่นอนอยู่แล uh ้ว huh. พวกขวัญเนี่ยนั่งกับพื้นแล้วก็โต้ยุบุนว uh huh. างงานอ uh ื huh. นั่งขามคนขวัญเนี่ยอยู่ตรงหน้าคนชื่อเล็กแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกไม่ต้องเอ่ยชื่อ uh huh. อยู่ทางซ้ายมือของขว uh ัญอืออีกคนนึ่งอยู่ทางขวามือเนี่ยอันนี้จะนิ่งๆหน่อยไม่ค่อยเมียการอะไรเป็นคนไม่ค่อยพูดอ uh ื huh. ก็เลยนั่งเรียนงานกันไปในระหว่างที่เรียนงานเน่ยคนที่นั่งเอนไปเอนมาทําท่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะอืมแต่ก็ยังคงเติมเหล้าเข้าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็กึ๊บเดี๋ยวก็คล๊บแต่สิ่งที่ทําให้ขวัญเริ่มจับสังเกตก็ประมาณสักสี่ทุ่มคนที่มันเมาอยู่นะพี่อืมหน้าตาก็เหมือนแบบไม่เคยเมามาก่อนในชีวิตเลยหน้าตาแบบตึงๆดูหน้าเคร่งเครียดมากเลยนะแล้วก็เทเหล้าหนากว่าเดิมอืม กระดกเล่ากล๊บอีน the ึงก็มองหน้าขวัญนะมองจ้องแปลกๆนะแล้วก็ถ่ายหน้าแล้วก็ก้มขวัญเนีมันสังเกตอยู่นานแล้วจากอาการอย่างเงี้ยครับมองมองหน้าถ่ายหน้าแล้วก็ก้มหน้าใช่แล้วถ้าจากที่นั่งจะงอแตง่าเนี่ยก็กลายเป็นั่างแบบนั่งเอามือยันเข่าพี่นิ้ภาพคนนั่งบนโซฟาแล้วนั่งขัดมาแล้วมือยันเข่าคล้ายๆพวกเป็นล่างตรงเลยนะแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่เป็นไรนะแต่นั่งมองหน้าผิดปกติแล้วก็จ้องอยู่นั่นแหละเหมือนไม่เมาเลยนะอืมกระดกแก้ว เล่าเนี่ยคือหนาก็าเดิมแล้วก็ดกทีนึงแล้วก็มองหน้าขวัญทีหนึ่ง <ทะ S 2> มองมันจะต้องขวัญ น, นั่นแหละขวัญ น, นี่มันก็เป็นคนแบบปากไวอะ่ะเป็นคนปากแบบปากไวปากอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยพี่มีสมาชิกในการสอนสอเลยดิพีมเล็กก็ยิ้มๆแล้วก็เออแล้วก็อ่านมากระดกเล่าแล้วก็มองหน้าขวัญ น, นี่ <ทะ S 2> แล้วก็ก้มดูงานต่อขวัญมันก็อ่านอะไรอยู่วะแล้วมันก็พยายามมองหน้าเพื่อนสองคนนะเพื่อนสองคนตอนแรกก็ยังปกตินะอืมปกติ เขาจะพักนึงเพื่อนทางขวามือบอกขวานผู้เรียบๆนะเพื่อนที่พูดน้อยมากเลยขวานเปองอะไรเมื่อกี้กูเห็นคนเดินหน้าบ้านว่ะตรงหลังไนก็เลยบอกอะไรมันแตกตรงไหนคนเดินบ้านจรนิหลังฟันต้องมีคนเดินเลยคนนั้นก็เงียบไปเพราะเขาคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไงเขาเงียบไปเสร็จแล้วคนทางซ้ายมือก็หยิกขาขวานนะี่ คือนั่งอยู่ด้วยกันแล้วข้างใต้เนี่ยมีขาชนไงเขาดิหยิบยกกำแน่เลยนะขอนเอ้านี่เป็นอะไรกันมาดิเนี่ยใช่พี่เล็กบอกอยู่เนี่ยขอนอะไ ร, รอยู่วะไม่เป็นอะไรวะแล้วก็นั่งมองต่อครพี่เล็กอาการเหมือนเดิมคือกระดกเล่าแล้วก็มองหน้าขวัญอีกแล้วก็กลมหน้าแล้วก็ถ่ายหน้าอืมขวัญก็เลยบอกว่าวพี่เล็กถามจริงว่ามีอะไรป่ะวัติพี่เล็กก็เลยงเวน้าเป็นไรตอนเนี้ยแล้วบอกเอ้า ทำเสียงอย่างนี้เลยนะปากูคิสงสัยสงสัยอะไรวะแกหันามองหน้าเพื่อนสองคนคือรู้ว่าสองคนของขวัญจะโดนหมดแล้วโอ้รัศนประมาทอย่างนั้นนะแล้วกหันมาองหน้าขวัญถาจริงๆนะอพวกมีเชื่อเรื่องผีกันไหมถามนิ่งๆอย่างเงี้ยอ้อ้โอ้ในขะที่นั่งกันอยู่แล้นไม่ีใครพูดเรื่องนี้เลยนะถ้อยู่ที่น่ถว่พวกมเชื่อเรื่องผีกันไหมครับ ไอ้ขวัญก็เป็นคนปอดอย่างนี้ผมเราทีฝังแต่เมือนเมื่อคืนแล้วมันปอดมากอะไรเรื่อง้มันรีพูดเลยบอกไม่เอาไม่พูดไม่พูดเรื่องนี้อย่าพูดเรื่องนี้ตดด้วยอืมอืมอือ่าคนที่เล็ก็นั่งนิ่งนิงแล้วก็ันไปกินเหล้าอีกคือเติมหนักกว่าเดิมนะมันแจ๊กเจ็ทุกอย่างแ้วแต่หน้าถามเลยยินม่ายินแบบเรียบๆนะแล้วถาแล้วบอกถามจริงๆพวกมึงเชื่อเรื่องผีกันไหมขวัญก็บอกเชื่อหรไม่เชื่อจะกลัวะพี่พูดแล้ว ทำไมเนี่ยยิ้มมาพูดเรื่องทำไมอ่ะกูจะเล่าเรื่องผีให้มบูฟังไอ้ขวัญทอเลยควาญมุกหยุดขอร้องเลยให้ไหวก็ได้ให้กาบก็ได้เอาแล้วหันไปถามเพื่อนบอกถ้าพี่เล็กเล่าเรื่องผีเนี่ยกลับเลยนะเว้ยหันไปมองคนขวามือแต่คนขวามือก็คือทิ้งทิอ่ะแล้วก็ตาก็เมื่อไปทางทางคนทางฝ้ายมืออ่ะขวัญก็เลยหันไปมองคนทางฝ่ายมือมีสองคนเป็นอะไรกันวะหันไปทางคนฝ่ายมือคนฝ่ายมือก็จิกอีกแล้วกอยู่เนี้ยือฟังเลย เฮ้ยมึงจะอะไรครับค<ท>นที่เล็กก็เลยบอกว่าข้ถามอีกครั้งหนึ่งให้มึงตอบมึงเชื่อเรื่องผีกันไหมเน้นเสียงอย่างเงี้ยไอ้ขวก็เลยบอกโอพี่ขอร้องเเอายังไงก็เอาเยเอาเอาเอาเอาที่พี่สบายใจเลยหนูขอร้องแต่ถ้าพูดถึงแี้วแล้วมันไม่ดีคือไม่เอาเลยและหยุดแค่นั้นพออาการเาแปลกไปคือเารุกขึ้นเดินเหมือนคนเมาจนตึ้งึ้งตึ้งตึ้งึงตึตงง แล้วกลับมานั่งที่โซฟาคนเดียวแมองหน้ามองแต่ขวัญคนเดียวเนี่ยคืออย่างนี้ผู้มือสงสัยเลยว่าในขณะที่เรานั่งเรียนกันอยู่มีเสียงคนเดินอยู่บนบ้านตลอดขวัญบอกเออถ้าคิดว่าจะเปิดตัวเมียพูดมาเลยดีกว่าใครใครเขาคุยกันที่โรงเรียนแล้วตอนนี้แกก็เลยบอกว่ามึงเชื่อไมตั้งแต่กูมาอยู่ที่นี่ คือไม่เคยได้นอนดีเลยสักคืนเป<ด>็นปีมาแล้วนะรู้กว่าจริงเหร อ, อ เ, เขาเลยบอกว่าไอ้ฝันเลยบอกว่าพี่หยุดเลยถ้าจะพูดเรื่องนั้นพี่ไม่เคยนอนพี่นอนเลยจะดูถามคนนั่งเฝ้า<ถ>ตัดเรื่องได้ไหมไม่เล่าได้ไหมแกบอกไม่ได้มึงต้องฟังโดยเฉพาะมึงอะไรล่งฝันฝันขาบอกว่าทำไมต้องเป็นหูอะพี่<ถ>มันก็นั่งนิ่งคือล้ามันล่ามันเลี๋ยนแล้วพี่แจ็คมันคนกลัวจักเลยนะฝันเนี่ยเรื่องจริงมันกลัวจริงท่าเนี้ย เขาก็บอกว่าไอ้เสียงดังข้างบนนะ่ะนะกูรู้อยู่แล้วแหละว่ามีคนที่ก็เป็นแฟนเป็นเมียนะกูบอกให้เลยตั้งแต่วันแรกที่กูมาอยู่ที่เนี่ยกูมยไม่เคยขึ้นไปประมาณสองสาวันมัวจะน่วนอยู่ข้างล่างอืจนวันที่กูตัดสินใจว่าจะขึ้นไปเทาความสะอาดชั้บนสักบ้างคร<ถ>ับนรู้ไหมกูขึ้นไปเจอกับอะไรอะไรครับถามว่าเจออะไรกูเดินขึ้นไปตอนกลางคืนกูโผหัวพ้นกระได้ขึ้นมานล้วแหละ ภูเก็ตเป็นศพโยนผ้าห่ออยู่โอ้ยขนลุก บ, า บ, าบก้าเป็นศพือยพุ้งคิงเขาบอก่แต่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือเป็นคนแล้วเขาไม่เยคยขึ้นไดูอีกเลยน ะ, ะเป็นผีหรือเป็นศพหรืออะไรเงี้ยและเขาก็บอกว่าตั้งแต่นั้นกูถึงไม่เคยขึ้นไปเลยไงมึงมาอีกครั้งมึงเห็นไหว่ากูนอนนี่ตัวฝาีิตลอดโอแล้วก็อโอ้โหี่แล้วพี่สวงเดินเนี่ยแล้วในขณะที่พูดนะพี่เสียงมก็เดินแอดแอดแอดอยาไม่หยู่ตรงกระได้อะอขวัญก็้อกเฮ้ยพี่ขอร้องเถอไม่เอาแล้วมันด มึงฟังให้จบก่อนอ ม, มึงฟังให้จบก่อนอแล้วมึงรู้ไหมทําไมกูถึงมองหน้ามึงตลอดอขวัญบอกเอองอนแปลกยังไงไม่เลว่านี้มึงบอกเลยบอกเลยคาใจมากเลยเนะี่ยบอกแล้วจบเลยนะจบมาเนี่ยเราจบแน่อคือตอนที่กูก้มหน้าดูงานเนี่ยนะแล้วกูหันไปกินเหล้าอ่ะกูหันกลับมาทีอ่ะ มึงรู้ไหมว่ามีคนเอาคางเกยบ่าอยู่ข้างหลัง Vay, อุยโอ้โหอีกรอบหนึ่งแล้วมีคนเอาคางเกยบ่าอยู่ข้างหลังเหรอครับเกยเยบ่าของขวัญเนี่ยขวัญก็แบบนั่งตัวเก่งเลมตัวคือแบบตั้งตัวตรงขึ้นเลยอ่ะพี่ทำไมต้องมาเล่าอย่างนี้วะอืมึงฟังดีๆนะครับที่บ้านกูเนี่ยมันอยู่ข้างหลังรถไฟอืแล้วมันเคยมีคนโดนรถไฟเนี่ยครัขบขัดสองข้อเลยอ ไอ้ขวานแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับที่นี่เนี่ยพี่รถไฟที่ไหนมันก็มีคี่ทับคนตายอะ่ะก็มันบังเอิญล้วเป็นหน้าห้องกูนี่ไงอมแล้วมันรู้ไหมมันทับยังไงมมันทับยังไงไอ้ขึ้นบนเลยนะมันจัดเต้นเข้ามาในห้องกูเนี่ยตรงนี้พวกมึงกำลังนั่งกันอยู่นั่นแหละจริงเหรอ เขาบอกอย่างนั้นเลยนะครึ้นขึ้นหมายถึงว่ามัันกหมายถึงว่าคือโดยรถไฟทับขาดครึ่งครึ่งล่างอาจจะอยูตรงตรงนั้นแต่ขรึ่งบนมันก็เดินเข้ามาในบ้านเนี่ยนะใช่แล้วขวานมันก็เริ่มตั่นแล้วมันบอกไปพี่แล้วไอ้ขวานขึ้นมือมึงเลยบอกพี่แล้วมันมาเล่าให้กมฟังทําไมอม่ได้ทําไมแล้วเนี่ยตัวตั่นแล้วเนี่ยมันต้องเล่าแล้วอีไหมเพื่อนมึงอ่ะเขาเรียกคําว่าอีน่ะเขาบอกอีคนทางซ้ายมือมึงนี่มันเป็นอะไร มันเป็นอะไรอะแล้วมันก็หันไปหาเพื่อนทางสายมือเพื่อนทางสายมือบอิงนิ่งจิ้งนิ่งอยู่เงี้ยขวามือจิ้งไรล้งกูพูดจริงไรล้งเดี๋ยวคนสายมือก็จิงลงจิงนิ่นั่นแหละมันเลยหันไปหาเพื่อนทางขวามือที่ดูนิ่งนิ่งหน่อยว่าที่บอกว่าคนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับอ๋อจะเลยหันไปหาคนความมือเหมือนจะขอความเห็นใจอะจะเปนความมือก็บอกมึงไม่ต้องสงสัยหรอกครับกูก็ไปไหนไม่รอดเหมือนกันมึงรู้ไหมที่กูบอกว่ากูเห็นคนเดินหน้าบ้านแล้วกไม่แปลกอะ มันแปดอแปลตรงที่มันมีแค่อนล่างโอ้โหบ้านอะไรวะเนี่ยตั้งแต่นั้นคือคุณก็พูดอะไรไม่ออกแล้วมึงเคียรกันเองแล้วาก็คือนั่งพยายามนั่งหรือนิ่งๆนะแต่ว่าคนนี้มีพระคนนี้มีพระนะขวัญมาคนนี้ใส่พระมาคนนี้ ต, อ, ตอนหลังคนโตขวัญนะขวัญก็ใส่พระแต่เพื่อนที่จริงมจริงอะอะนไม่มีอะไรเลยตัวเียวเลยตัวเพียวแล้วก็เลยบอกคล้ยเ๊เ็กเอาแบบเคียอะไรชัดชอบอไรตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูจะได้ไม่อยู่เก๊เกก็เลยบอกว่า มึงต้องอยู่ออืใ่ที่นี้ไม่มีใครไปไหนเลยทั้งนั้นถ้าไม่ค้นคืนนี้ไปห้ามไปไหนเลยนะคือพูดง่ายว่าตาเล็กก็เริ่มกลัวแล้วอะเพราะวันนี้จะที่สุดอืตาเล็กบอกว่าตอนนี้เขาเออนหน้าเกยบาเมื่อแล้วตอนเนี้ยที่เพื่อนมึงกลัวมากๆอะเพราะเขารู้ว่าเพื่อนมึงเห็นเขาเลยเอาเมือพยุงตัวโยกจากมึงเนี่ยไปหาเพื่อนมึงแล้วอไอ้หวังเลยบอกอแล้วตอนนี้มึงไหน อยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างมึงสองคนแล้วมันหันไปหาเพื่อนเพื่อนมันก็ลองทายแล้วก็จิ้งมุ้งจิ้งมุ้งอย่างเงี้ยควันมคว้ากระเป๋าได้ปั๊บมีเสียงเดินดังจากข้างบนนะคือเรวขึ้นและแรงขึ้นมันบอกมันไม่ฟังเลยนะมันจับมือเพื่อนมันได้มันรู้สึกหยกวิ่งแล้วไม่ต้องหันไปมองในขณะที่มันวิ่งนะมันมีเสียงคนหอบหายใจทำหลังมาพี่แบบ เนี้ยแล้วมันด้วยเพื่อนอยู่ข้างหน้าแต่มันจะอยู่จั่วหลท้ายเพื่อนนี่ตามแต่มันจับได้ยินเฉ่งนี่มาจากข้างหลังอืมันไม่คิดว่าเป็นทะเลาะเพราะทะเลาะยังไงก็ เ, เดินเนี่ไม่รอดแน่นอนจะวิ่งยังไม่ได้แน่นอนมันก็บอกเพื่อนบอกไม่ต้องหันแวนมองบอกเสร็จปุ๊กวิ่งไปหยุดที่หน้าตลาดออืพอไปหยุดหน้าตลาเดเสร็จปุ๊บมันยืนหายใจกันอยู่ยืนหอบหายใจอยู่ไอ้เพื่อนมันคนที่ว่าเห็นเพิแต่แรก่ะหันไปมองไปมองกวาแล้วหันจะมาเอามืกุบอกแล้วก็ ดิ่งเข้ามาขวัญขวัญขวัญอะไรเขาอยู่บนข้างกูนี่มันก็วิ่งต่อยข้ามไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นมันบอกเป็นข้างชาวประเทินค้าอย่างนี้ไยืนท่ามกลางผู้คนเน่ะที่มันก็มีน้อยนิดแล้วเพราะมันเด็กอ่แต่ว่ามันเนี่ยมันก็สว่างแล้วมีคนเนี่ยยืนอยู่นานหวังมันจะมีสติแล้วถึงได้กลับบ้านเนี่ยพอมาอีกวันนึ่งเนี่ยคนที่เล็กมาโรงเรียนมาด้วยกันเมาเหมือนเดิมเอางั้นน้อยเขามาทักเหมือนเดิมปกติตามสไตล์ความควร ขวัญมันก็ด่าด่าคำหยาบเลยนะเาบอกเฮ้ยง่ากูฟ้องเลยเป็นกน้องเนี่ยไม่รู้แหละมเล่นเกมอะไรกันเมื่อคืนเนี่ยคนในห้องทั้งหมดที่นั่งาอยู่อ่ะเขาบอกว่าเกมอะไรวะขวัญเมื่อคืนเมันหลอกผีกูทั้งคืนเลยกูคนป็นหลอกัหมดเนี่ยเพื่อนมันคนบอกไม่ได้หลอกนะขวัญแล้วทุกคนในห้องก็บอกเจออะไรใช่ไหมมึขบนใช่คือพใครไปบ้านตาเกเจอหมดทุกคน เนี่ย um> เป็นตัวบ้านนี่สิบ้านอะไรเนี่ยโอ้ยมันโอ้ผมไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงดีคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันค่คอยๆถูกเฉลยเฉลยเฉลยขึ้นมาดีลันแบบเฮ้ยโหดมั้ยคุณทิงเผมฟังควันแล้วโอ้โอ้เ่ยวันแกมั น, นจะดูแม่เล็กว่ะแม่เล็กดูยินจากาแล้วแล้วไม่ใช่เ ก, วกวเจ เ, เลยนะคนรบอบข้างจะสวยหมดเลย ออ๋อคือบ้านหลังนั้นเนี่ยคือมันมันมีเหตุการณ์อะไรมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วถูก ไ, ไหมฮะแต่ทุกอย่างคือมันมาประเดประดังกันในวันที่ทุกคนมารวมตัวกันในวันนั้นนะ่ะเหมือนเขาแบบมามามามาให้ใ ห, ให้ให้รู้ให้เห็นให้แบบว่าคือให้ชัดไปเลยว่าเนี่ยโทษนะฮะรูอยู่เนี่ยอ๋อมันมีอย่างนึงมันมอีอย่างนี้ผมลืมพูดไปอันนี้ดเด็ ไอ้ขวัญมันถามว่าแล้วทำไมมาทำงานที่ไม่เคยเล่าแล้ววันนี้ไปเจอไงเล่าวะเขาบอกวันนี้วันพระเขาพูดอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยวันนี้วันพระขวัญบอกแล้วมันก็มาเล่าตอนที่เล่าผมฟังแล้วขวัญนะมันบอกว่าตะเล็กมันเจออย่างนี้ตลอดนะทุกๆวันพระเนี่ยจะหนักมากตอนหลังขึ้นมารู้ว่าตะเล็กไม่เคยเหยียดขึ้นไปข้างบนเลยและเสียงที่มีคนเดินนะมันไม่ใช่ไม้ลั่นแล้วพี่ทิงมันเป็นแบบคือคนลงเท้าเราจะรู้ว่ามันน มันจะเป็นจังหวะมันจะเป็นจังหวะ<อ>ถูกต้องไม้ได้แนละไม่ได้มันจะไม่เป็นจังหวะแต่ถ้าคนลงเท้าหรือว่าเวลาคนย่ําเดินครับมันจะเป็นจังหวะจังหวะการเดินอือครับหดังนั้นตั้งแต่เขาไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นคือเคยขึ้นไปแค่ครั้งเดียวไปเห็นเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับศกจริงศพปลอมไม่รู้แต่เหมือนกับเป็นภาพที่เขาเห็นหลังจากนั้นคือครับหลังจากนั้นคือเขาไม่เคยขึ้นไปเลย ไม่เคยขึ้นไปเลยเรื่องงบประมาณที่มีจํากัดแล้วมันมเป็นบ้านที่มีคนหาให้ด้วยแล้วอยู่ไปแล้วก็คือว่ามันโอเคข้างๆไปไม่ไกลก็ตลาด<ม>แล้วมันต้องมีใครมาวุ่นวายเขาทุกคนอยู่เหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนตางพางมากอะไรอกันขึ้ น, นแต่พวกแบบพวกสินเนี่ยเราจะรู้อยู่ว่าบางคนก็เป็นที่เขาใจยากเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ชอบอย่างนั้นแต่แกจะเมาทั้งวันถ้าแกไม่เมาแกก็ไม่มกลับเหมือนกันบ้านอ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าทั้งหมดเลยฮะคือเขาอยู่ทนหรือว่าเขาทนอยู่ ผมผมว่าในในไทยเขามาทนอยู่มากค น, นอยู่เพราะอะไรอ่ะฮะมันมีบรญยัติไปที่อื่นไม่ได้อืมผมไม่แน่ใจนะแต่แวนะัลวนละวันละขวัญจะบอกว่าเขาทนอยู่เพราะว่ามันสะดวกอย่างแล้วมันค่าใช้จ่ายมันน้อยมากมันน้อยจริงจริงนะมัน้อยราคาเท่าไรผมไม่ได้ถามนะแต่ก็ดูจากบรรยากาศแล้วผมคิดว่าคงไม่เท่าไหรนะออ่อ่ะก็มีภาพเป็นไม้ข้างล่างแล้วพลังก็เป็นเหมือนน้าคำั่มอ่างเงี้ยแล้วก็เป็นไม้เป็เหี้ยเป็นแง่แล้วะอ๋อคือผมเข้าใจว่า ตอให้เป็นคนอารมณ์ที่ไม่กลัวผีแต่ต้องไปอยู่ในบ้านหลังนั้น่ะและต้องได้ยินเสียงอย่างเนี้ยทุกวันทุกคืนเสียงได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดแล้วตัวเองต้องต้อ ง, องใช้วิธีการปลอมให้ตัวเองนอนคือการเมาแล้วนอนเฮ้ยย้ายเยรอจริงๆคือถ้ามันเป็นอย่างนี้นฝันว่าฝันรู้ว่าตอนหลังจะย้ายนะเห็นฝันว่าตอนหลังจะย้ายเหมือนกันตอนหลังคืงจะคงจะเต็มที่แล้วแหละครับเห็นตอาหลังแล้วย้ายเหมือนกันแล้วก็บ้านเนี้ย น่าจะยังอยู่ถ้าไม่อยู่ก็คือมีาการเปลี่ยนแปลงแต่ยังเห็นเขาคงเดิมอยู่ฝันบอกอย่างนี้นะฝันบอกคือต่อให้อารมณ์ติ๊ดยังไงนะผมว่าเจอแบบเนี้ยจริงคือัก็ต้องเปิดนะรูออ้มโอมันก็ต้องไปแล่ะครับมันมันหนักมากอะ่ะมันหนักถึงแักเจอทุกวันและยอมทําร้ายทําร้ายตัวเองโดยการเมาเพื่อตัวเองหละก็แสดงว่าโอ้ยสุขภาพจิตเขาจะแย่เอาน่า วันนั้นมันเป็นลางอยู่แล้วพี่พี่ขวมันบอกว่ามันจะไปนะมันทุกอย่างมันทําอะไรมันก็เหมือนติดขัดเนยไม่อยากให้มันไปแต่มากกันด้นไปกันจนตึกอ่ะแล้วมันไปถึงปุ้บเนี่ยตาเล็กก็มองหน้ามันใสไปตั้งแต่วินาทีแรกเลยมันบอกโอ้มันลางมากเลยอแล้วก็เจอจริงจริงขวัญมันเป็นคนที่เจอเรื่องพวกนี้ยน้อยมากเท่าที่ผมคุยกันนะที่นนอือแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเหตุการณ์ เหมือนอย่างคราวนั้นที่ผมเล่าที่ฟัง ก, ก็คื อ, อมันดันไปยกเอาเอาอะไรอ่ะที่ว่าเป็นพมุนทลุ่มกับต่างอะไรทุกอย่างออกแล้วมันก็ทำให้อ่าแล้วมันก็ทำให้คนในบ้านตัวเลยหมดเลยแล้วมาครั้งนี้ก็คือ มันก็มาเรียนนี้เจอมันไม่คิดว่ามันจะเจอครับแต่มันก็ยังคำให้คเจอโอ้ดิสำคัญที่คนที่เล่นอยู่มาไม่เคยเจอเขาบอกครั้นี้จะที่สุดครั้งที่ฝันมาบ้านเนี่ยจะกล้ที่สุดโอ้แล้วที่สําคัญคือบ้านหลังนี้แสดงว่ามันติดกับรางรถไฟมากเลยนะถึงขนาดว่ารถไฟมีการทับคนแล้วทิ้นส่วนของคนกระเด็นเข้ามาในบ้านเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันใกล้มากเกิดรถไฟนี่บ้านหลบเลื่ยงมาด้วยอเข้าใจเพราะว่า ถ้าเป็นบ้านตาม ต, ามต่างในกรุงเทพยังพอเข้าใจคือบ้านคนอาจจะเสมอกับทางรถไฟถูกไหมฮะแต่ก็เป็นตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยทางรถไฟจะสูงกว่าบ้านอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วก็มีจุดเป็นไปได้ที่คนโดยรถไฟชนแล้วเศษชิ้นส่วนมันก็สามารถที่จะกระเด็นตกลงไปแล้วเออมันไปตกเข้าบ้านพอดีโอ้โหตายเขาเออคนเล็กนั่งใหเราสังตอนนี้บอกว่าขวัญตกตอนนี้บอก ด, ดูว่ากระเด็นมาตรงไหนตรงที่พวกมึงกำลังนั่งอย่างไรความบอกอกตัวใจนี่มันอยู่ตะกุมเลยนีผมกลัวมกลัวมากเลย่องนี้เออผมแปลกใจว่าเฮ้ยเขารู้ว่ามีชิ้นส่วนกระเดนตกมาที่บ้านเขาเนี่ยแต่เขาก็ยังจะอยู่โอ้ย <c oughs> ผมจะเล่าให้ฟนะเรื่องนี้ยตอนนี้ขวานเล่าฟังนะครับมีเด็กคนบอกว่าอยากเจอหน้าตาเล็กนี่มากอผมอยากเห็นหน้าเขามากเลยว่า เขาหัวจิตหัวใจเขาทาด้วยอะไรแล้วเขาคิดอะไรอยู่ทําไมเขาถึงไม่อยู่อ้าถามว่าความเมานะไี่<อ>นะจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอก็คือพู้ที่เป็นสับเปร่อตาม<อ>วัดอันนี้ผมเคยมีโอกาสได้ถามเขาเพราะว่าอยาก<อ>รู้กันว่าผมไปปั้นงานตามวันอย่างเงี้ยผมเคยถามสัปเหร่อนะว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์โหนหัวที่สุดไหมเขาบอกไม่เคยเจออะไรโ<อ>หนพอที่เจอมามันเสมอกันหมดแต่เขาอยู่ได้โดยเล่านะ อ, อยู่แล้วเดี๋ยวเล่ะย้อมใจอย่างนี้อฮ ะ, ค, ะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เขาเจอหนักๆอย่างที่ผมเคยฟังเคสที่หนักที่สุดเนี่ยอันนี้พอมีเวลาใช่ไหมฮะได้ไดูได้อยู่ดิวนะ่าเคสที่เจอหนักที่สุดก็คือมันเป็นรถตัดดินรถ<อ>ตัดดินคือเป็นรถแมโครมาจอดแล้วเหมือนเขาจะทําอะไรทักอย่างแ่ะซึ่งไม่ไกลกับไอ้ที่เป็นเชิงตะกรนก่นะเผาอ่ะคือแบบฝางจังหวัดอั่นแหละแล้วจะไปะเลยเนี่ยก็หลก หลบไปกินเหล้ากับเขาออืคือปล่อยพผกศพเผาในที่จริงกับเปลือกต้องเฝ้าแล้วก็จะมีผู้ช่วยสักคนหนึ่งหรงคนคือหมายถึงว่ากำลังเผาศพอยู่ก็คือพอจุดไฟเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้ไฟไหม้ศพไปแล้วตัวสัเปลือไปกินเหล้ากับรถขุดใช่ครับคือว่าทําเป็นเหมือนทาเหมือนกับว่าเฝ้าอ่ะพอยาติเขาหมดปุ๊บเพราะมันมืดมันก็ไม่มีใครกล้าอยู่เลยใช่ไหมล่ะญาก็ไว้ใจอย่างเงี้ยจะบอกแกผิดวันนั้นจะยอมรับว่าแกผิดเลยแล้วก็ไปกินเหล้ากับพวกนู้นที่เป็นรู้จักกันด้วย ะจะนั่งมองอยู่ใจในเห็ุนี้คือคนมันก็เหมือนมูปิ้งอ่ะพี่ที่โดนไฟคกอกน ะ, ะไฟมันคลอกแล้วน้ำเหลอมันก็แตกเขาก็นั่งมองอยู่เนี่ยแล้วคนที่ขับในโครเนี่ยเขาก็หันหลังให้กับปบทั้งหมดแต่ตัวคนที่เป็นตะเบลเนี่ยจะนั่งตะแคงข้างให้ก็มองไปก็ยังเห็นเป็นก้อน ด, ำดำําๆคือคนติดไฟครับเมาจนถึงขนาดลืมลืมว่าตัวเองเนี่ยทาหน้าที่ในการเขาตกอยู่ออืปล่อยเลยจริงๆมันต้องมีการคลิกการกลับอย่างเงี้ยจะเขาปล่อยค เขาปล่อยในขณะที่ว่าเมาะจะหลับจนเพื่อนต้องบอกเฮ้ยมึงไปสตาร์รถหลับข้าในตู้กูเลยก็ได้เพราะว่าไอ้รถนคโครเนี่ยมันจะเป็นห้องแอร์ห้องเล็กที่คนขับขับอนะอ เ, เขาก็ไปหลับหลับเสร็จปุ๊บรับรู้ส่วนสุพาพเนึ่งคือเพื่อนมาเบียดอืมที่อยู่กับบ้านคนที่เป็นเจ้าของรถจะต้องเข้ารถอืมเขาก็เข้ามามาเบียดอัจนจะบงหเอาเทิหน่อยก็ น, นอนพอจังหวะที่นอมันจะตกเขาอยู่น้ํำเขาก้มลงดูนะคือระหว่างที่จะก้มเมาติดน้ําที่ปลายเท้าวะโก้มลงควัก มันเห็นเป็นคนติดไฟอ่ะพี่จังหวะนี้เนี่ยยืงอยู่หน้ากระจกรถแมโคร่ที่เขาก้มลงแค่ก้มหน้าผ่านเขากเลยหน้าขึ้นนอแล้วเขาก็ตะกิ้คนขับรถว่าเฮ้ยเฮ้ยคนขับรถก็ตื่นมาเขจะถามมีอะไรในขณะที่เขาถามเนี่ยมันมีเสียงเคาะไอ้รถแมคโครถ้าถ้าพี่เคยไปทำรัชการก็ได้ยินเสงมันจะดังต้งต้งต้งอะอ้องต้องต้องต้งต้องรอบรถเลย ท่านแง่หัวแมโคเนี่ย ม, มันจะมีกระปอร๋อไรติดอยู่เขาก็เปิดใส่หมุนเลยนะหมุนรอบเลยแต่ก็ง่ายหมุนรอบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืปรากฏว่าไม่มีอะไรจะต่นี่ยยังอยู่ที่เดิมพ อ, อสับเลอเดินกับไปเนี่ยความเปจริงระยะเวาลาขนาดนั้นแหะมันต้องแบบว่าแทบจะไม่เหลือชินดีแล้วะแต่สับเลอเดินกลับไปตกเด้งขึ้นนังแล้วก็เอาแขนมาชี้นหน้าแล้วก็ล้มตัวหลงนอนแกบอกน่าเคสนั้นแหละแรที่สุดแหละคือเหมือนเจ้าของล่างเขาไม่พอใจมากที่ทําอย่างเนี้ยศพเด้งขึ้นมาของชี้หน้าเลย ขับขึ้นขนมาทังนั้นนี่ไฟยังติดด้วยเป็นดำๆเลยนะลูกขึ้นมาคือเด้งขึ้นมาเสต่ครูเบลยกแขนขึ้นน่ะประมาณว่าชี้หน้าให้เห็นนะ่ะครั้งเดียวแล้วก็ล้มตัวลงนอนแกบอกครั้งนั้นนะเป็นจับเปลเมานะเคยเจอเสียงเคยเจอเสเเจเสซิปเคยเจอเหมือนมาร้องไห้เนะี่ยไม่หนักเท่าครั้งนี้ครั้งนั้นนี่แคเ่เลิมันตับเปลเลยส่วนแม่โคนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาบอกมันขี่ลุยนาเอาขึ้นไปเลยจนเท้ามาต้มกราปั้นขนาดเขาไม่โคตรจัดจริงๆเลย เออเรจริก็คือ ห, หน้าที่หน้าที่อะเนาะเออเป็นเป็นเป็นหน้าที่ที่ที่ควรจะจ ะ, จะทำอะไม่ไม่ควรทิ้งหน้าที่คือเข้าใจว่าอา่าสัเปล่ก็สโซน่าก็จะเป็นคนมีอายุถูกไหมเป็นคนมีอายุก็จะไปดื่มนู่นดริ้งนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเฮ้ยเผาศพเสร็จก่อนก็ได้ไหมไอ้ที่พวกนี้จริงๆเขาไม่น่าต้องไปที่ไหนหรอกพี่แจที่เขาปิดอย่างนึงเพราะว่า คนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะซื้อเหล้าให้ในอั้นนะสาหรับ <ทะ S 2> คนที่เป็นสัปเหร่เป้าตามก็ให้แ <ทะ S 2> ถมเหล้าก็ซื้อให้ในอั้นดิเพราผมเคยไป น, นั่งอยู่เอาตอนผมเป็นพระนะที่ว่าผมชื่อเด้งอ่ะ น, นะผม <ทะ S 2> เคยไป น, นั่งดูเขาเนี่ยคืออาจารย์านั่งดูวัตถุศักดิ์ ส, สมมฐานคือดูตบี่เผาเนี่ยออืเขามีเหล้ากินตลอดทั้งคืนนะพวกนี้เดี๋ยวยกเดี๋ยวยกมาเนี่ย <ทะ S 2> แล้วมันไม่ใช่แค่ทีเดียวหลายที่ค <ทะ S 2> ือเขาจะมีให้เต็มที่อยู่แล้วแต่ตัวเองก็ยังไม่พอผมยังไปกินแบบเอาสนุกสนาดไว้ก่อนเนี่ยทิ้งหน้าท โอ้นะโอ้เรื่องนี้อันนี้นี่ผมว่าแบบเแบไบปเลยนะเจอเรื่องเมื่อกี้เข้าไปเรื่องบ้านของตะเล็กเนี่ยโอเหเฮ้ยหโหวหลอนจริงเออมันหลอนมากน่ากลัวมากอ่ะแล้ววันนี้ขวัญมาเล้าผมฟังแล้ว น, นี่ผมว่าผมเนคนก็ไม่กลัวผีนะผมผีขนาดต้องเอาเอาขา่ายกขาึ้นบนเต้าอียิ่บมันล้อนหนาข่ายยันเป็นอดไม่อยุดโอ้โอ้อนะแล้วขวัญเป็นไงบ้าง ตอนนีก็ุกคั้งี่เล่าเร่อีผมฟังแล้วนองมันจะกลัวเองอ้ยูจะเล่าอลไรก็กลัวบางทีก็หลอนหลัวว่าฝันไปไหลันไปไรหลอนกลไปิีติดตกเสียงป่วยบ้างอะไรบ้างหูโอ้ยเแต่เราก็ขอให้เล่าให้มมันก็เล่าแต่มันบอกอะไรเรื่องนี้ไม่อยากเล่าเลยไม่อยากเล่าแต่พอมาเล่าแล้วเป็นอย่างเงี้ยติดตกกลัวมากฝันนคนกลัวจริงที่แค่แค่ทารถจางวะแตกๆเนี่ยผมเจอับผมบอก เดี๋ยี้ได้ยินเสียงอะไรอยู่ยป่ะเนี่ยบอกพี่จะตกความเลยอ้ามพูดเรื่องนี้คำพวกนี้เลยะ่ะอ่าอูดไม่ได้เลยนะเรื่องผีนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยในขณะที่เราจะต้องมีคนอยูเ่เยอะๆด้วยถ้าไม่มีคนอยู่เยอะๆไม่เล่าแต้าเล่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่ตกไปเลยครับอู้นะฮะโอเคได้คุณคิงวันนี้ต้องบอกว่าไม่ทําให้ผิดหวังแล้วฮะหลายคนที่ดูอยู่ฟังอยู่โอ้โหคุณคิงวันนี้มามาละมาแนวโหดอีกแล้ว เนี่ยฮะโออ้แล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันอีกนะแล้วก็คุณมีเรื่องของอืมมีเรื่องของน้องคอยนะพี่อันเนี้ยอันนี้บอกตรงว่าพี่แจ๊คก็ติดสายฝังที่ต้องยกขาเหมือนกันผมนั่งฟังผมแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้บโลกมีอย่างนี้เลยแต่มันน่ากลวจริงแล้วมันบาลานซ์กันทั้งหมดที่น้องเขาพูดอ่ะอเมันไม่ใหญ่ที่มันดูแล้วมันแต่งเติแต่งเติมเลยออะื เสียดายอ่ะเหลืออีกแปดนาทีไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจริงๆอยากฟังนะคือแบบอยากหลอนต่ออแต่ว่าผมว่าเป็นวันไหนก็ได้อาทิตย์หน้าหรือพรุ่งนี้แล้วแต่คุณคิงเลยคุณคิงสะดวกเมื่อไหร่กิงกลางมาเลยดีกว่าอ๋อเรืวันเสาร์นะที่ช่วงไหนครับเพราะคุณเริ่มกลับมาวอาทิตย์เริ่มกลับมาถึงสิปอโอเควันเสาร์ได้นะก็เดี๋ยวคุณคิงมาเสาหน้านะพร้อมกับเรื่องของน้อพลอยใช่ไห ครับผมโเคเรื่องนี้คือคุณคิงการันตีเลยว่าฟังแล้วเนี่ยถ้าปิดไฟฟังเรื่องนี้มียกขานออนแน่นอนแน่นอนพี่ผมต<ม>้องฟัง<ม>คุณรบบต อ, อ น, นีเรื่อน้องก็เล่าอ่ะตอนนี้น้องก็เล่าอ่ะเขาเล่าไม่ห่างจากหอเดิมที่เกิดเรือ่องที่เชื่อมาวันนั้นน่ะเขาเดินขึ้นเดินลงเพื่อสลับเน็ตอ่ะตั้งส<อ>มชั้น<อ>เขาบอกมันเป็นอะไรเนี่ยที่แล้วผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองเพระนะพี่แกงตอนที่ผมฟังน้องเขเล่าอ่ะตุ้งนี่บอกเรื่องมันเกิดมานานที่ไหนผมบอกเอ้าแล้วตอนนี้ เพราก่อนที่น้องเขาจะโทรมาเล่าเาบอกเขานั่งทงานอยู่ห้องเพื่อน<ช>ผมก็เลยบอกถ้าเขาโทรมาเล่าอย่างนี้นะเพื่อนไม่หวัวเราะกันใหญ่เลยเพื่อนหวัวเราะ อ, อยู่เลยไ ม, ไ, มไม่ไม่อายเพื่อนอ่บอกฟัง้นะยู่ยิงตรงกระดเพื่อนที่ไหนหัวเราะผ ม, มถามเดี๋ยวเีเรื่องนี้มันนานหรือยังแล้วมันเกิดขึ้นที่หอหรือเปล่าเาบอกเรื่องนี้ไม่นานไม่นา น, นเองแล้วมันเกิดขึ้นที่หอก็หอข้างๆที่หนูมาเนียหนูยไม่ได้ โอ้ต้องต้องต้องต้องรอเลยฮะเสาหน้าครูผู้ฟังฮะใครที่เป็นแฟนคลับของคุณคิงนะคุณคิงคอนเฟิร์มไหมนะฮะว่ารเรื่องนี้เอ้ยน่ากลัวอีกหนึ่งเรื่องไปเป็นเรื่องที่หลายคนต้องย้าอีกทีว่าเป็นเรื่องที่คุณคิงเก็บเอามาเล่านะไปได้ยินในสัมาษณ์ไม่ใช่เพราะคุณคิงไปเจอผีทุกวันทุกวั น, วนไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละอันกันเลยผ <ม S 1> นะอออันนั้นเเรื่องขาไม่อ่านคอมเมนต์เขาบอก คือวางทีอย่างวันนั้นเรื่องเล่าจากน้องขวัญที่แจก็ตา้ที่ให้ผมเนาะอืมผมเข้าไปอ่านแล้วผมน้ำรึผมไม่โกรธนะแต่ผมนเสียใจว่าทําไมเขาไม่ฟังก่อนออกันนั้นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นต้องไม่ต้องไม่พูดถ้าพิงต่อยเขาเราทําหน้าที่ของเราคุณพิงเชื่อผมนะคผมว่าคนส่วนใหญ่เอาคนส่วนใหญ่เข้าใจสบายใจนะครับเพราะว่าเราก็พูดกันตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุณพิงเขาจะไปเก็บเรื่องราวเอาคนรอบๆข้างคนรอบๆตัวที่เขารู้จัก เอามาถ่ายทอดผ่านรายการตรงนี้แล้วคุณคิงเป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีเพราะว่าบาง<อ>าคนเนี่ยเขาอาจจะเคอะเขินในการพูดอาจจะเล่าได้ไม่หมดแต่คุณคิงเอ่ะเขาเอามาปรับเอามาจูนเอามาแต่งคาไม่ใช่แต่งเรื่องนะฮะแต่งคําให้มันแบบเออเข้าปากแล้วเวลาเล่าที่มันเห็นภาพแค่นั้นเองเรื่องของคุณคิงก็มีนะฮะแต่เรื่องของคนอื่นก็เยอะ ที่เขาเก็บเอามาเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นคุณคิงอ๋อใครจะว่าอะไรไปแล้วอ๋อจริงด้วยผมเพราะว่าเราก็พูดกันอยู่ตลอดว่าเอ้ยเป็นเรื่องที่คุณคิงเก็บเอามาเล่าน่ะเป็นเรื่องของน้องคนนี้เล่าให้คุณคิงฟังแล้วคุณคิงมาเล่าให้พวกเราฟังเล่าผมฟังเล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันแค่นั่นเองโอ้่างทีเราต้องการรายละเอียดนะเราถามเขาเลยว่าผมขอโทรได้อืม ถ้าเขาอนุญาตถ้าเขาไม่อนุญาตผมก็ไม่ว่าถ้าเขาบอกไม่ว่าผมไม่ว่านะถ้าส่วนใหญ่เขาก็จะว่างเขาบอกค่าค่าได้เลยเพราะว่ามันูจะได้บอกบางส่วนที่อยู่ที่เจ็ดกินด้วยเพราะว่าเนี้ยเราก็เลยโทรแล้วก็เขาก็เล่าให้แบบเขาอนุญาตต้องขอบคุณทุกคนเลยนะอย่างน้องพลอยเนี่ยก็อนุญาตให้ผมถามาละเอียดว่าตรงเนี้ยมัุมอย่างเนี้ยมุมอย่างเงี้ยนั่นแหละอย่างนี้เลยใช่ไหมเออพินภาพออกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าเลยเพราะว่าให้ทุกอย่างคนั่นแหละครเดี๋ยวรอเสาหน้านะคุณคิงนะผมรอฟังเรื่องของน้องพลอยดู นะครับเด็กผมเตรียมยกขารอเลยเดี๋ยวเสาหน้าห<า>ล<ะ>ังเปลี่ยนไปได้บิตไปเดใจก็เลยดีกว่ า, า <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณคุณคิงมากๆนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ตืน่นเต้นนากัวแล้วก็สยองขวัญไม่ทําให้แฟนเดอะโกสส์วีดีโอแฟนขคุณคิงผิดหวังอีกเช่นเคยครับขอบคุณมากเลยครับผมที่กันรักษาสุขภาด้วยนะพี่เดียวกันคุณคิงฟังเสียงเหมือนคุณคิงไม่สบายปะเนี่ยเป็นมาสาวันแล้วครับคุณรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ครับผมของมาคานขอบคุณครับสวัสดีครั บ, ววบคุณกำลังฟังจุดว๊อสเพลง